เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบรานัตว์ผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่10มกราคมพุทธศักราช2558เป็นวันเด็กแห่งชาติเป็นวันที่ทางผู้ใหญ่จะให้ความสำคัญ แก เ, กเด็กๆเพราะว่าเด็กในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าจะเป็นผู้ที่จะรับมรดกตกทอดที่พวกเราสร้างกันขึ้นมาหากันมาต่อไปก็ต้องเป็นเด็กที่จะมารับภาระต่อจากพวกเรา mm hmm. เด็กวันนี้จะดีดในวันหน้า mm hmm. ก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ในวันนี้ ว่าจะให้ความสำคัญกับเด็กมากน้อยเพีนนยงไรเพราะเด็กนี้เป็นผู้ที่ยางต้องเรียนรู้อะไรต่างๆทั้งดีและไม่ดีถ้าผู้ใหญ่สอนเด็กให้รู้จักว่าอะไรดีอะไรไม่ดีสอนให้ทำความดีสอนไม่ให้ทำความไม่ดี เด็กก็จะโตเป็นเด็กดีขึ้นมาได้ถ้าผู้ใหญ่ไม่สั่งสอนเด็กไม่รู้ว่าอะไรดีไม่ดีก็ จ, จะทำกับกันก็ได้แทนที่จะทำดีกับทำไม่ดีแล้วก็จะทำให้เป็นผู้ใหญ่ไม่ดีในอนาคตจึงเป็นหน้าที่ของผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะต้องให้ความสำคัญ ในการสั่งสอนเลี้ยงดูเด็กๆทั้งหลายให้เป็นเด็กที่มีคุณภาพทั้งทางร่างกายและทางจิตใจทางร่างกายก็ต้องให้ปัจจัยสี่คือให้อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคทางจิตใจก็ให้ความรู้ทั้งในทางโลก และนายถามธรรมความรู้ทางโลกก็ส่งไปเรียนตามโรงเรียนตา่ตางๆส่งไปยามส่งให้เรียนให้สูงที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถเรียนได้เพราะความรู้จะเป็นเครื่องมือที่เขาจะสามารถนําเอาไปประกาศสามาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเขาและของครอบครัวของเขาได้ อย่างสุขอย่างสบายส่วนทางธรรมก็ต้องพาเขาเข้าวัดให้ได้สัมผัสกับาศาสนาให้ได้สัมผัสกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันประเสริฐเพราะถ้ามีแต่ความรู้ทางโลกเพียงอย่างเดียวถ้าไม่มีความรู้ทางธรรมก็จะเอาตัวไม่รอดคำว่าเอาตัวไม่รอดก็คือ ไม่รอดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเพราะความรู้ทางโลกไม่ได้สอนให้รู้จักวิธีรักษาตนเองไม่ให้ตกอยู่นในกองทุกข์วิชาทางโลกเพียงแต่สอนวิชาวิธีหาเงินหาทองหาข้าวหาของหาอะไรต่างๆแต่ไม่ได้สอนวิธี ป้องกันความทุกข์ใจไม่ได้สอนวิธีดับความทุกข์ใจจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าวัดให้เด็กได้สัมผัสกับพระศาสนาให้ได้อยู่ใกล้เชิดกับพระศาสนาเพราะพระศาสนานี้เป็นที่พึ่งทางใจอย่างแท้จริงผู้ใดมีพระศาสนาเป็นผู้นำทางผู้นั้นจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆ นี่คือสิ่งที่พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ควรจะให้ความสำคัญต่อเด็กเพราะพ่อแม่นี่ถือว่าเป็นบุพกาจาร์ของลูกๆเป็นครูบาอาจารย์คนแรกของลูกลูกเรียนรู้อะไรต่างๆมากมายจากพ่อจากแม่นับตั้งแต่ภาษานับตั้งแต่การกินการอยู่ การทำกับข้าวกับปลาอาหารการกระทำอะไรต่างๆเด็กจะเรียนรู้จากพ่อแม่ทั้งๆที่บางทีพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจจะสอนแต่เด็กก็จะเห็นพฤติกรรมของพ่อแม่แล้วก็จะทำตามพ่อแม่ดังนั้นพ่อแม่จ้องระมัดระวังว่าการกระทำของเราในทุกเิเ่ียอาบทก็มีส่วนที่จะเป็นตัวอย่าง เป็นตัวสอนรูปๆทั้งๆ ท, ที่เราอาจจะไม่มีเจตนาตั้งใจจะสอนเขาแต่เขาก็จะเรียนรู้จากพฤติกรรมของเราเช่นถ้าเราดื่มสุรายาเมาสูบบุรีเล่นการพนันพูดคำหยาบทะเลาะวิวาทกันเด็กเขาก็จะเรียนรู้จากเราถ้าเราไม่สุข บุเไม่ดื่มสุราไม่เล่นการพนันไม่ทะเลาะวิวาสไม่พูดคำหยาบเขาก็จะเรียนรู้จากเราเขาก็จะเอาเราเป็นตัวอย่างดังนั้นการสอนด้วยคำพูดอย่างเดียวยังไม่พอเพียงสอนด้วยคำพูดแล้วต้องสอนด้วยการกระทําด้วยอย่าพูดอย่างทําอย่างจะเป็นเหมือนแม่ปูสอนลูกปู แม่ปูเห็นลูกปูเดินเฉไปเฉมาอยากจะให้ลูกปูเดินตรงๆก็บอกให้เดินตรงๆแต่ตัวแม่เวลาเดินก็เดินเฉไปเฉมาลูกก็ดูตัวอย่างจากการกระทำการกระทำนี้มีน้ำหนักมากกว่าการพูดการพูดนี้ถ้าไม่มีการกระทำแล้วก็จะไม่มีน้ำหนั ก, กอะไรเช่นบอกลูกว่าอย่า สู่บุเร่อย่าเล่นการพนันอย่าเที่ยวอย่าเล่นแต่ถ้าพ่อแม่เดิมสุราสู่บุเร่เล่นการพนันลูกก็จะอ้างได้ว่าก็พ่อแม่ทำได้แล้วจะมาห้ามเราได้อย่างไรถ้าจะห้ามก็ต้องห้ามที่ตัวพ่อแม่ก่อนนี่คือสิ่งที่เรา มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกๆของพวกเราลูกของพวกเรานี้ทางภาษาศาสนาก็แยกแยะไว้สมชนิดด้วยกันลูกที่เก่งกว่าฉลาดกว่าพ่อแม่เป็นชนิดหนึ่งชนิดที่สองก็คือลูกที่เก่งหรือฉลาดพอๆกับพ่อกับแม่และลูกชนิดที่สาก็คือลูกที่ด้อยกว่าพ่อกับแม่ คือเก่งน้อยฉลาดน้อยกับพ่อกับแม่ดังนั้นลูกบางคนนี่บางทีเราไม่ต้องสอนเขาเลยบางทีเขารู้มากกว่าเราฉลาดกว่าเราบางคนก็มีความรู้ความฉลาดเท่าเราและบางคนก็น้อยกว่าเราคนที่ด้อยกว่าเราเราก็ต้องเหนื่อยหน่อยเราต้องพยายามสอนเขาอยู่เรื่อยๆ ส่วนคนที่เท่ากับเรานี้ก็สอนง่ายว่านอนสอนง่ายส่วนคนที่ฉลาดกว่าเราเก่งกว่าเรานี้แทบไม่ต้องสอนเลยดีไม่ดีเขากลับจะมาสอนเราอย่างพระพุทธเจ้านี้อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าอภิชาตบุตรคือมีความรู้ความฉลาดความสามารถมากกว่าพ่อแม่พ่อแม่ถึงไม่สามารถที่จะสอน ให้พระพุทธเจ้าเป็นไปตามที่พ่อแม่ต้องการได้อย่างพ่อแม่อยากให้พระพุทธเจ้าเป็นพระมหาจากักรพรรดิไม่อยากให้พระพุทธเจ้าออกบวชแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าการเป็นมหาจากักรพรรดินี้ไม่ได้นำไปสู่การดับความทุกข์ไม่ได้แปลนการนำไปสู่การหมดเวรหมดกรรมแต่เป็นการไปสร้างเวรสร้างกรรม เป็นการที่จะต้องไปเวียนว่าตายเกิดอีกเพราะว่าเป็นมหาจักรพรรดิก็ต้องทำสมงครามเมื่อทำสงครามก็จะต้องมีการฆ่าฟันกันพระพุทธเจ้ากลับเห็นว่าการออกบวชนี้เป็นการกระทำที่ดีที่วิเศษซึ่งคนธรรมดาทั่วไปจะไม่รู้จะไม่เห็นจะไม่เข้าใจว่าการออกบวชนี้ จะวิเศษอย่างไรสู้อยู่เป็นมหาเศรษฐีเป็นมหาจากักรพรรดิไม่ดีกว่าหรือมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีอำนาจวาสนามีคนยกย่องสรรเสริญมีบริษัทบริวารห้อมลอ้อมมีสิ่งต่างๆคอยบำรุงบำเรอให้แก่จิตใจตลอดเวลาแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถ ดับความทุกข์ใจได้นอกจากดับความทุกข์ใจไม่ได้ยังกลับทําให้มีความทุกข์ใจเพิ่มมากขึ้นไปอีกคนที่มีมากแทนที่จะมีความสุขมากกับมีความทุกข์มากพระพุทธเจ้าทรงเห็นเพราะทรงมีของมากอยู่แล้วมีสมบัติมีปาษาสามเร ด, ดู มีบริษัทบริวารหอมลอ้อมีสิ่งบำรุงบำเรอความสุขทั้งทางร่างกายและทางจิตใจแต่พระทัยของพระ อ, องค์กับมีความทุกข์เวลาเห็นคนแก่ก็มีความทุกข์เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีความทุกข์เห็นเห็นคนตายก็มีความทุกข์พอพระ อ, องค์ ทรงรู้ว่าต่อไปพระองค์ก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายไปพระองค์จึงไม่ไม่เชื่อพระบิดาไม่เชื่อพระราชบิดาที่อยากจะให้พระองค์อยู่ในพระราชวังอยู่ทางโลกทําสงคารามเพื่อเผยแผ่อาณาจักรให้กว้างใหญ่ไพศาลพระองค์จึงสละราชสมบัติแล้วออกบวช เพราะเห็นว่าการออกบวชนี้เป็นการกระทาที่จะระงับดับเวรกรรมต่างๆระงับความทุกข์ภัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้และในที่สุดพ่อองค์ก็ทรงได้ตัดสโลเป็นพระอาหารหันตดสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายอย่างพวกเรามาจนถึงปัจจุบันนี้ พวกเรานนี้เป็นหนี้บุญคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากเพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนพระธรรมคำสอนพวกเราจะไม่รู้จักวิธีดับทุกข์ไม่รู้จักวิธียุติการเวียนว่ายตายเกิดกันเลยพวกเราจะต้องเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดไปอีกไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ความทุกข์ในแต่ละภพแต่ละชาติก็เป็นอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ความทุกข์ของเรานี้มันมากกว่าความสุขเราทำงานห้าวันเราอาจจะมีความสุขเพียงวันสองวันได้พักผ่อนได้ทำอะไรตามใจเราแต่วันอื่นก็ต้องไปทำงานไปทำมาหากินแล้วก็ความสุขที่เราได้ ก็ไม่ได้เป็นความสุขที่ดับความทุกข์ได้เวลามีอะไรทำให้เราไม่สบายใจขึ้นมาความสุขที่เราได้รับจากการใช้เงินใช้ทองก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจของเราได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราจะไม่รู้ว่าความทุกข์ใจของพวกเราเกิดจากอะไร แล้วจะไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์ใจของพวกเราจะอยู่กับความทุกข์ใจไปเรื่อยๆจะเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาประกาศพระธรรมคำสอนแล้วพวกเราก็ดูแล้วว่าอะไรทำให้เราทุกข์ใจสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจเรียกว่าตันหาความอยากต่างๆนี่เองไม่ว่าจะอยากอะไรก็ตาม อยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยหรืออยากไม่มีอยากไม่เป็นก็คืออยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายหรือความอยากในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมีเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่นไม่พอเวลาเกิดความอยากก็ต้องดิ้นหาเวลาหาไม่ได้ก็จะ เสีย อ, อกเสียใจเก่อความทุกข์ใจขึ้นมานี่แหละคือตัวที่ทำให้พวกเราทุกข์กันถ้าเราอยากจะไม่มีความทุกข์ใจเราก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือให้เราหยุดความอยากวิธีจะหยุดความอยากก็คือให้ทาทานให้รักษาศีลให้ปฏิบัติธรรมให้ภาวนา นั่งสมาธิเจริญปัญญาถ้าเราทำได้เราจะหยุดความอยากต่างๆได้การทำทานนี้หยุดความอยากอย่างไรก็คือเวลาที่เราอยากจะใช้เงินซื้อของซื้อความสุขใช้เงินซื้อของที่ไม่จาเป็นต่อการดำรงชีพเช่นอยากจะซื้อเสื้อผ้า อยากจะซื้อข้าวของอะไรต่างๆที่ไม่จําเป็นจะต้องซื้อหรืออยากจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราก็ต้องใช้เงินทองไปซื้อของเหล่านี้เพื่อที่เราจะได้มีความสุขแต่มันเป็นความสุขปลองความสุขเดี๋ยวเดียวเวลาได้ซื้อของก็ดีอกดีใจไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไปแล้วก็เกิดความอยากจะซื้อของใหม่ เหมือนกับการไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวก็เกิดความสุขใจพอกลับมาบ้านความสุขใจนั้นก็หายไปความอยากไปเที่ยวก็เกิดขึ้นมาใหม่ก็ต้องไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆต้องใช้เงินอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าทุกครั้งที่เราอยากจะไปเที่ยวอยากจะซื้อของที่ไม่จาเป็นเราเอาไปทำบุญแทนเอาไปทำทานแทนเอาไปช่วยเหลือผู้อื่น ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนลาบากเพื่อให้เขาได้มีความสุขแล้วเราจะเกิดความสุขใจขึ้นมาภายในใจเวลาเราเห็นผู้อื่นได้รับความสุขจากการกระทำของเราแล้วจะทำให้เราลดความอยากใช้เงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไปซื้อความสุขทางร่างกาย แล้วเราจะอยู่บ้านเฉยๆได้ไม่รู้สึกเดือดร้อนถ้าเราออกไปเที่ยวเรื่อยๆเวลาเราไม่มีเงินออกไปเที่ยวนี้เราจะรู้สึกอึดอัดํำคาญใจเดือดร้อนอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าเงินไม่พอเราก็อาจจะต้องไปทำบาปในการหาเงินเพื่อที่จะมาสนับสนุนความอยากเที่ยวของเรา แล้วเราก็จะมีผลเสียตามมาความทุกข์ใจจะตามมาเวลาเราทำบาปใจของเราจะมีความทุกข์ไม่สบายใจแต่ถ้าเราทำทานอยู่เรื่อยๆความอยากซื้อข้าวของเงินซื้อของต่างๆหรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆจะน้อยลงไปจะทำให้เราอยู่บ้านได้จะทำให้เรามีเงินเหลือ ไม่เดือดร้อนที่จะต้องไปทําบาปเพื่อที่จะมาซื้อความสุขต่างๆทําทานแล้วก็จะทําให้เรารักษาศีลได้ถ้าเรารักษาศีลได้เราก็หยุดความอยากการกระทําที่ไม่ดีต่างๆได้หยุดฆ่าได้หยุดการลักทรัพย์หยุดการประพฤติผิดประเวณีหยุดการพูดปลด หยุดการดิ่มโซายาเมาและอบายามุกต่างๆได้พอเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้ใจของเราก็มีความสุขเพิ่มมากขึ้นใจนี้จะสุขจะทุกข์อยู่ที่ว่าทำบาปหรือไม่ทำบาปเวลาทำบาปแล้วใจจะไม่สบายเวลาไม่ทำแล้วใจจะสบายนี่ก็เกิดเป็นการหยุดความอยาก ที่สร้างความทุกข์ให้กับเราที่เกิดจากการกระทำบาปเวลาอยากจะทำร้ายใครก็ไม่ทำเวลาอยากจะขโมยข้าของของคนอื่นก็ไม่ทำเวลาจะไปยุ่งกับสามีภรรยาของคนอื่นก็ไม่ทำพอไม่ทำได้แล้วใจก็จะเย็นจะสบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจอันนี้ก็เป็นการหยุดความอยาก อีกระดับนึงสร้างความสุขให้กับใจเพิ่มขึ้นมากขึ้นไปอีกแล้วถ้าเราอยากจะหยุดความอยากอย่างเต็มที่เราก็ต้องปฏิบัติธรรมวิธีที่จะหยุดความอยากก็ต้องมีเบรกใจเราเหมือนรถยนต์ที่วิ่งลงเขามันจะไม่หยุดของมันเองรถที่วิ่งลงเขารถมันจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อเราใช้เบรก ถ้าเราไม่มีเบรครถมันก็จะวิ่งลงเขาไปเรื่อยๆและอาจจะแหกค้งตกเหวไปก็ได้ใจของเราถ้าไม่มี break, เบรคเดี๋ยวมันก็ไปชนกับคนนั้นชนกับคนนี้เพราะเวลาอยากได้อะไรก็จะไปทำทำแล้วก็ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนถึงความเสียหายที่จะตามมาพอไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็จะเกิดปัญหาต่างๆตามมา แต่ถ้าเรามีเบรกเวลาเราจะทำอะไรที่เสียหายเราก็ใช้เบรกหยุดมันได้เบรกของใจคืออะไรเบรกของใจเรียกว่าสติ <Yeah. S 1> ถ้าเรามีสติเราสามารถที่จะหยุดความคิดที่จะไปทำสิ่งต่างๆได้ <Yeah. S 1> ดังนั้นเราจึงควรมาหัดสร้างเบรกกันให้กับใจของเรา เพราะถ้าเราสามารถเบรกใจของเราให้หยุดได้ให้หยุดคิดได้ไม่ให้คิดอะไรได้ใจของเราจะมีความสุขมากแล้วเราจะหยุดความอยากต่างๆได้ความอยากต่างๆต้องอาศัยความคิดถ้าเราไม่คิดมันก็ไม่มีความอยากอย่างตอนนี้เราไม่ได้คิดเรามีแต่ฟังเราก็จะไม่มีความอยากแต่ถ้าเราเผลอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ สิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวก็จะทำให้เกิดความอยากขึ้นมาอยากจะไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ได้คิดเราอยู่กับเรื่องที่ทำให้เราไม่คิดได้มันก็จะไม่มีความอยากดังนั้นเราต้องหัดเจริญสติกันวิธีจะสร้างสติขึ้นมาก็คือให้ใจคิดอยู่เรื่องเดียวคิดอยู่กับสิ่งเดียว ที่ไม่ได้ทำให้เกิดความอยากขึ้นมาเจนให้เราคิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆถ้าเราท่องพุโทโธพุธโทโธไปได้เรื่อยๆทั้งวันใจเราจะว่างจะเย็นจะสบายจะไม่มีความอยากเราจะทำแต่สิ่งที่จำเป็นต้องทำเช่นเรามีหน้าที่ทำงานทำการเราก็ทำไปถ้าใจจะไปคิดเรื่องอื่นเราก็ใช้พุโทโธพุธโทโธดึงเอาไว้ พอดึงเอาไว้ได้แล้วใจก็จะสงบความอยากก็จะหายไปถ้าเรานั่งเฉยๆได้ยิ่งดีใหญ่นั่งเฉยๆแล้วท่องพุทโธพุทโธไปใจจะรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่แล้วจะมีความสุขเพราะไม่มีความอยากแล้วถ้าเราออกจากความสงบนี้มาถ้าเราอยากจะรักษาความสงบให้อยู่ต่อไป ให้เรามีความสุขมากต่อไปเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากมีอะไรอย่าจะไปอยากดูอยาไปอยากฟังอะไรอย่าไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ยากไม่จนก็ อ, อยากแล้วจะทาให้เราทุกข์ใจและสิ่งที่เราอยากได้ก็ไม่สามารถให้ความสุขที่ถาวรได้ ให้เราดี อ, อกดีใจไปเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่ถ้าเรามีปัญญาคอยสอนใจทุกครั้งอยากจะทำอะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ทำแล้วต่อไปจะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจจะไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายจะไม่เดือดร้อนเวลาไม่มีเงินไม่มีทองจะไม่เดือดร้อนเวลาที่ต้องสูญเสีย สิ่งที่เรารักไปเพราะเราจะไม่มีความอยากให้เขากลับมานั้นเองเรายอมรับความจริงถ้าเขาจะไปก็ต้องปล่อยเขาไปห้ามเขาไม่ได้อยากแล้วจะทุกข์ไปเปล่าๆนี่คือปัญญาที่จะคอยสอนใจของพวกเราไม่ให้มีความอยากให้หยุดความอยากแล้วเราจะมีความสุขนี่แหละคือสิ่งที่ เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาจะได้รับจากอภิชาตบุตรคือลูกที่ฉลาดกว่าพ่อแม่ถ้าเรามีลูกที่ฉลาดกว่าเราแล้วเขาจะไปในทางที่ดีเราก็ไม่ควรที่จะห้ามเขาถ้าเขาอยากจะบวชอยากจะบวชเนนอยากจะบวชพระเราควรที่จะสนับสนุนเขาเพราะเขาไปในทางที่ดี ไปในทางที่จะทำให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์น่าจะทำให้เขาเป็นที่พึ่งของเราได้เขาจะสอนเราได้เราอย่าไปถือว่าเราเป็นพ่อแม่แล้วลูกสอนเราไม่ได้เสมอไปนานๆจะมีคนอย่างพ่อพระพุทธเจ้าอภิชาตบุตรมาเกิดจากครั้งหนึ่งถ้าเราได้ลูกที่จหลาดกว่าเราเราควรจะดีใจ ก็ต่อไปเราจะพึ่งเขาได้เราควรจะสนับสนุนให้เขาทำความดีให้เขาแสวงหาความรู้ต่างๆเท่าที่เขาจะสามารถแสวงหาได้แล้วต่อไปเขาจะเป็นที่พึ่งของเขาเองและของผู้อื่นได้แล้วเขาจะมีความสุขเราก็จะมีความสุขอย่าไปบังคับลูกให้ทำตามความอยากของเราเพราะบางที ความอยากของเรานี้มันไม่ได้เป็นความอยากที่เป็นประโยชน์กับเป็นความอยากที่เป็นโทษเช่นอยากให้ลูกร่ำรวยอยากให้ลูกเก่งทางโลกแต่ลูกเขาจะไปทางธรรมเราก็ไม่พอใจถ้าเราทำอย่างนี้เป็นการขัดขวางความดีความเจริญของลูกของคนดี นี่คือเรื่องของพ่อแม่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกๆในวันเด็กก็ขอให้พ่อแม่ให้ความสนใจกับลูกดูแลเลี้ยงดูลูกให้ดีอบรมสั่งสอนลูกให้รู้จักผิดถูกดีชั่วถ้าไม่สามารถสอนเองได้ก็พาไปพาไปวัดพาไปฟังเทศฟังธรรมพาไปปฏิบัติ ทำทานรักษาสิ่งภาวนาแล้วเขาก็จะได้สิ่งที่ดีติดตัวติดเป็นนิสัยของเขาเวลาโตขึ้นเขาก็จะทําแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ให้ความสุขกับเขานี่คือเรื่องของการมาวัดในวันเด็กเพื่อให้ท่านได้ระลึกถึงความสำคัญของเด็กๆทั้งหลาย ที่จะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าที่จะดูแลประเทศชาติของพวกเราต่อจากพวกเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อนำเด็กมาให้สัมผัสกับพระพุทธศาสนาเพื่อให้เขาได้เรียนรู้สิ่งที่ดีที่งามที่เขาจะได้นำเอาไปใช้เพื่อให้เกิดความสุขและความเจริญแก่ตัวเขา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 โดยทั่วหน้ากันเธอ